ผมว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรจะมีปืนขนาดหนักติดไปด้วยอย่างน้อยสองกระ บ, บอกผมต้องการให้ชายยันกับน้อยไปกับคุณด้วยพลาดพลั้งยังไงเรายังได้อาศัยปืนช่วยอีกแรงหนึ่งรวมคณะไปด้วยกันห้าคนคุณแงซายชายยันน้อยแล้วก็ขยินส่วนจะไปแยกพวกวางแผนกันยังไงก็สุดแล้วแต่หัวหน้าคณะตัดสินมาภายหลังตึกตรองอยู่คู่เดียวก็ได้เหมือนกันครับพรานของผมทุกคนจะอยู่กับคุณชายที่หมู่บ้านนี้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 ระพินหันไปสั่งความกับคนของเขาเร็วปรือส่วนขยีนกระโดดตรงจากเรือนไปร้องตะโกนเอ็ดอึงสั่งลูกบ้านที่กําลังโอมลามานอยู่ตอนให้ทุกคนหลบเข้าอยู่ในเรือนหมดไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นหมู่บ้านใหญ่ทั้งหมู่บ้านก็สงบเงียบเชียบราวกับป่าจากสิ่งมีชีวิตแม้แต่หมาก็ซุกตัวหางหดเข้าหลบอยู่ตามซอกกาบังหมดนานๆจะส่งเสียงหอนยาวเยื้อขึ้นสักครั้งเต็มไปด้วยความเยือกเย็นวังเวงอย่างไรพอกมิถุคงมีแต่บนเรือนของคณะเดินทางเท่านั้น ที่วุ่นวายอยู่ในการจัดเตรียมตัวอย่างแข่งกับเวลาแม้จะรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนว่าจะต้องเผชิญกับอะไรทุกคนก็ไม่วายใจสั่นระทึกนางอั้วถึงกับตัวสั่นเทาเป็นลูกนกกอดจมุไว้แนบอกน้ําตาไหลด้วยความสยองกลัวสุดขีดลูกชายของหัวหน้าบ้านได้สติตื่นขึ้นได้รับรู้กับเหตุการณ์นั้นเริ่มปรากฏอาการกระสับกระส่ายเหงื่อผุดซึมเต็มหน้าดาลินหวนกลับเข้าไปหยิบกล้องส่องทางไกล เห็นทั้งสองข้าวก็เดินเข้ามารูปผัวยิ้มให้พูดปลอบโยนเจ้าทั้งสองไม่ต้องกลัววันนี้เป็นวันตายของไอ้งูยักษ์ตัวนั้นแล้วทั้งหมดเตรียมตัวเสร็จออกมาชุมนุมกันอยู่ที่นอกฌานกว้างทุกคนมีอาวุธครบมือพวกลูกหาบได้รับการแจกไรเฟิลอีกครั้งเชิดฐาหันไปสั่งน้องสาวด้วยความเป็นห่วงแล้วจับแขนระพินกับแง่สายไว้คนละข้างบีบแน่นขอให้โชคดีนะพวกเราจะคอยฟังเสียงระเบิดอยู่ที่นี่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 ลมสงัดแม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกบรรยากาศกดต่ำข้นหนักปกคุมไปตลอดทั้งไหล่เขาอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านมีเสียงฟ้าคำรนแว่วมาจากุนเขาใหญ่เบื้องหน้าประหนึ่งเสียงบ่นยังหุดหิดของอสูรพรานใหญ่พยักษหน้ากับหัวหน้าบ้านขายินก็ออกเดินนำไปในบัดนั้นโดยไม่มีใครปิดปากพูดคาใดกันอีกตัดท้ายหมู่บ้านด้านตะวันตกเฉียงใต้อันเป็นเวีไร่กล้วยออกเครือดก ไายเนินขึ้นสู่ไหล่เขาลูกเล็กๆลูกหนึ่งอันเป็นภูเขาที่แง่สายทดรองยิงธนูเมื่อวานนี้พอพ้นเขตหมู่บ้านขึ้นสู่เนินฝนก็เริ่มโปรยเป็นระอองลงมาเสียงพายุพัดอื้ออยู่บนยอดเขาสูงขึ้นไปฝนกำลังตกหนักอยู่ยังป่าบนและไล่แดนต็อมาทุกขณะทางลมกำหนดทิศแน่นอนไม่ได้ผันผวนตรบหมุนอย่างไรพิกลขยีนผู้เดินนาอยู่เบื้องหน้าหยุดชะงัก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 นายจ้างทั้งสองได้ยินเสียงขยินส่งภาษาอะไรกับพรานใหญ่เร็วหรือสั่นรัวแต่ดูลักษณะเขาไม่สนใจอะไรกับคำพูดของขยินนักคงเคร่องอยู่กับการสังเกตอากาศอยู่เช่นนั้นขยินว่าอะไรดารินถามอย่างร้อนใจจนไม่อาจาระงับไม่ได้ก็เห็นระพินยิ้มเล็กน้อยตอบอย่างสงบในอาการเดิมว่าขยินบอกว่าเจ้างูยักษ์ตัวนี้มาทีไรเกิดเป็นพายุฝนอย่างนี้ทุกครั้งสังเกตจากเวลาที่มันเข้ามารบกวนหมู่บ้านสามครั้งมาแล้ว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 ฝนคงตกบริเวณนี้ไม่มากนะักแต่พายุ ค, คงไม่สงบลงง่ายๆภายในชั่วโมงนี้เราจะเข้าถึงตัวมันได้ลาบากเท่าๆกับที่ฟังเสียงมันไม่ได้ด้วยแล้วผินแย้งต่าๆเอาลาเสียงดูถ้าเห็นจะไม่ได้การค่อยถอยลงไปดักมันที่ชายเนินริมหมู่บ้านชา ย, ยานตัดสินมาทั้งหมดเคลื่อนที่ต่อไปอย่างรวดเร็วบ่ายหน้าไปทางเช ง, งอนสูงตอนหนึ่งอันเป็นตำแหน่งที่เราผินณละพวกชาวบ้านแหลเห็นเงาของอสูรดึกดาําบรรเลื้อยอยู่ยังเชิงเขาฝ้าตรงข้าม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 ซึ่งขณะนี้แลเห็นดำมืดรีรับอยู่ในระอองหมอกปนพายุฝนเขตมันเกี่ยวพันติดต่อกันกับเขาย่ยมย่ยมรูปนั้นแล้วพิงชี้ให้ชายันดูไหล่เขาตอนบนอันเป็นที่ร่องเกียนแห่งหนึ่งแลเห็นหญ้าขึ้นเขียวชะอุ่มในวงล้อมของป่าใหญ่รอบด้านเหมือนใครไปทําสนามฟุตบอลเอียงลาดไว้บนนั้นตรงนั้นแหละครับที่พวกตัดกล้วยเห็นท่อนกลางของลําตัวมันเลื้อยผ่านจากด้านบนลงมาแล้วก็วิ่งิดตามผม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 เมื่อได้ยินเสียงหญิงสาวอุทานอะไรออกมาคําหนึ่งว่าไงน้อยเห็นอะไรชา ย, ยันถามเร็วปรือดาเรียนเบิกตาโปรจ้องผ่านกล้องปรับเปลี่ยนอยู่อึดใจหนึ่งไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียวกายสั่นน้อยน้อยส่งกล้องไปให้ชา ย, ยันแล้วชี้มือไปยังตําแหน่งที่หมายอาดีตนายทหารปืนใหญ่รับกล้องมาอย่างรุกลนยกขึ้นส่องควานหาเป้าหมายอยู่ครู่หนึ่งพอจับภาพได้ถนัดก็ยืนตัวเย็นมีความรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นลงชั่วขณะ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 เห็นชัดเจนแม้กระทั่งเก็ดตายสองด้านถูกกลืนหายบดบางอยู่ในความทึบของป่าที่แวดล้อมอยู่สันบนเป็นสีจัดจนเกือบดำตอนที่ต่ำลงมาใกล้เคียงกับส่วนที่ติดพื้นเป็นสีจางเกือบขาวผู้กองเสียงดังไม่เกินกระซิบแววออกมาจากลำคอที่กระเดีบเต้นขึ้นลงไม่เป็นจังหวะของชยยันตายัางติดกับเลนกล้องอยู่เช่นนั้นแล้วก็เงียบงานพูดอะไรไม่ออกไปอีกคนหนึ่ง ผิวป่าออกมาเป็นเพลงเหมือนจะปลอบใจตนเองแต่ไม่มีนักเพลงคนใดในโลกสามารถบอกได้ว่าชายันทำเพลงอะไรพรานใหญ่จ้องหน้าอันขาวเผือดของดารินแซงหันไปจับดูอากับกิยาของชายันขณะที่ยังส่องกล้องอยู่เช่นนั้นเขาก็ฉเฉลียวคิดขึ้นมาในบัตรดนพยายามเพ่งสายตาเปล่ามองตามแย่าสายก็ก้าว เ, เข้ามากระเทาะปลากระซิบริมเนินด้านซ้ายตรงที่มองเห็นเหมือนโขดหินโผลกในพงไม้นั่น เป้าหมายตำแหน่งนั้นเขาก็เห็นอยู่ก่อนแล้วเหมือนกันแต่ก็ผ่านความสนใจไปเสียเพราะเข้าใจว่าเป็นโคทินบัดนี้โดยจียาท่าทีของนายจ้างทั้งสองรวมทั้งการสะ ก, กิดเตือนของแง่ทรา ย, ายทำให้ต้องเพ่งพิจารณาอีกครั้งถามเบาๆโดยไม่เปลี่ยนสายตาว่าใช่มหรือครับคุณชา ย, ยันชา ย, ยันแยกเคีย้ยวหน้าเยเกหัวล้ ด, ดังแห่ๆแล้วทาตลกพูดพองคอเรียนเสียงเป็นแขกพูดไทยออกมาว่า อีนี้ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะเหมือนช้างสิ ต, ตัวนอนเข่าแถวกันแต่ไม่มีตีนหัวก็ไม่เห็นหางก็ไม่เห็นโอ้ยไปลมดีกว่าดารินกาเข้ามาซัดหลังเพื่อนชายผู้มีอารมณ์คลึกๆคืนอยู่ตลอดเวลาแม้ในนาทีคับขันที่สุดเสียงดังพลักแล้วก็ช่ากล้องจากมือไปส่องดูอีกครั้งพูดมาเร็วปืออย่าโม้พอยบ้าอยู่กับช ย, ยันเลยนายพานจะทาอะไรก็ตัดสินเสียด้ยนี้เธอมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว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 โดยทันทีมันจริงตามที่แง่ทรายคํานวณไว้ฝนคงโปรโยเป็นละอองเบาๆอยู่เช่นนั้นไม่ได้หนาเม็ดไปกว่าเก่าและก็จริงตามแล้พินคํานวณเหมือนกันคือพายุยังพัดแรงตลบไปมาปรากฏเสียงอื้ออึงน่ากลัวไม่สามารถจะสำเนีเสียงใดๆได้นอกจากเสียงป่าลั่นฮือด้วยแรงลมอากาศที่เคยอบอ้าวกลายเป็นเย็นเฉียบไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกคนก็มาถึงที่หม้แล้พินสั่งให้เข้าแฝงตัวซุ่มอยู่ในหลืบชะงอนหิน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 ผมจะพยายามฟังเสียงมันอยู่ที่นี่ก่อนถ้ารู้แน่ว่ามันใกล้เข้ามาก็จะย่องสวนเข้าไปหามันโดยไม่ให้มันรู้ตัวจนได้ระยะธนูอาจต้องอ้อมเขาทางด้านใดด้านหนึ่งของมันสุดแล้วแต่เหตุการณ์เอาจะเอาอยัางไงก็เอากันแต่มาตกลงกันสิก่อนระหว่างที่คุณกับแง่ซรายแยกไปโดยพวกผมสามคนรอยอยู่ที่นี่ถ้าเห็นมันโผล่แล้วก็พวกผมซัดลนะระพิน ย, ยิ้มให้ตบแขนอดีตนายทหารปืนใหญ่เบา เอาเลยครับถ้ามันเลื้อยผ่านไม้คุณชายยานเห็นโดยยังไม่ได้ยินเสียงระเบิดก็แปลว่าผมกับแง่ายถูกมันกลืนเข้าไปแล้วเป็นหน้าที่ของคุณชายยานกับคุณหญิงที่จะตัดสินใจแต่ขอให้จําที่ผมสั่งไว้ไม่พลกออกจากที่กาําบังมันจะทําอะไรไม่ได้เลยชายยานพยักหน้ารับคํากว่าสายตาสํารวจไป ร, บรอบๆเหมือนจะคํานวณทางนี้ที่ไรและพินผู้กําลังส่งภาษาบอกความแก่ขยินรู้สึกว่ามีมือมาแตะที่หลังหันกลับไป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 เพ่งสายตาออกไปยังด่านช้างอันกว้างใหญ่ที่โคตเคี้ยวราวกับถนนไปในระหว่างป่าโคกขึ้นทึบไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยแสมสลับก้อนหินถ้าสัญชาตญาณพรา น, านอันชัดเจนของเขาคำนวณไม่ผิดเจ้าสัตว์ยุคโลกร้านปีที่มีอายุยืนนานมาจนเกินกึ่งพุทธกาลตัวนั้นจะต้องอาศัยด่านช้างนี้เป็นทางมาอันแสนสะดวกไายของมันมากกว่าจะเลื้อยผ่านมาในพงรกและเขากาหนดแผนไว้เรียบร้อยแล้ว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 แยกย้ายกระจายกันออกล่าสเวนรอบหมู่บ้านทุกด้านอย่างไม่ประมาทกําชับให้เตือนชาวบ้านทั้งหลายหลบอยู่แต่ในเฉพาะเรือนตนไม่ให้ใครออกมาเกะ ก, กะแล้วเรียกบุญคาพรานอาวุโสให้ขึ้นมาคอยเป็นเพื่อนเฝ้าจมุกอยู่กับนางอัว้วตัวเองคว้าไร่เฟิลองจุดสีห้คู่มือพร้อมกระสุนทั้งกล่องขยเกลงจากเรือนยึดได้ก่อรั่วกอหนึ่งเป็นที่มัน่นทางด้านหลังของเรือนที่สร้างใหม่ห่างจากอคอกวัวขนาดใหญ่ของขยินออกมาเล็กน้อย นั่งสู่บุหรีบนครกตําข้าวเอาปืนผ้าตักนายเมือหัวหน้าลูกหาผู้ได้รับคําสั่งให้เฝ้าอยู่ทางหน้าบ้านเหลือบมาเห็นก็แบกปืนเข้ามาสมทบเป็นเพื่อนอยู่ด้วยแล้วฝนก็ปลิวว่อนเป็นอองปกคลุมไปตลอดทั้งหมู่บ้านพายุอัเนเย็นเฉียบโยนป่ารอบด้านให้ไหวสท้านลู่ละเนนส่งเสียงอยู่อื้ออึเสียงกิ่งไม้หักล้านผงผางแล้วคนไปกับเสียงฟ้าคํารามอยู่ไม่ขาดระยะ อากาศอันเคยสว่างแจ่มใสมืดมัวลงอย่างรวดเร็วจะเป็นด้วยยานสังหรณ์หรืออะไรก็ไม่สามารถจะบอกได้ถูกราชสะกุลหนุ่มรู้สึกตะขันตะครออย่างไรพิกลประสาททุกส่วนตื่นพร้อมตาอันคมวัยกว่าสำรวจไปยังทิศทางรอบด้านเท่าที่จะมองเห็นได้นายเมย์แน้มมองขึ้นไปยังยอดไม้ชายป่าซึ่งอยู่ไม่ห่างออกไปนักซึ่งบัดนี้แลเห็นละอองฝนพลิ้วผ่านเป็นหมอกขาวมัวฝนกำลังจะตก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 แต่ฉันก็พอจะยิงปืนได้แล้วขอบใจมากที่เป็นห่วงเอาละนายมือจะอยู่เป็นเพื่อนฉันที่นี่ก็ได้ความเงียบปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านคงได้ยินแต่เสียงพายุที่คลางฮือและต้นไม้ใหญ่น้อยไหวรู่ระเนรลมเท่านั้นหมาตัวหนึ่งที่แอบนอนหางหดอยู่บนตาแกแฝกซึ่งกองอยู่ใต้ถุนเดือนปลูกใหม่ส่งเสียงร้องขึ้นยืดงาด่าตัวสั่นเทิมทันทีนั้นมันก็ลุกพรวดพลาดขึ้น วิ่งหางจุกก้นผุดออกจากต้ทุนเรือนหัวซุกหัวซูนไปทางกลุ่มเรือนกระเลียงที่ปลูกเกรียงรายอยู่เป็นแนวห่างออกไปทางด้านขวามือวัวในข้อของขยินมีอาการแตกตื่นร้องมูมอเบียดเสียดชนกันอยู่ยังริมข้อด้านหนึ่งมีอาการเหมือนจะแหกข้อออกมาให้ได้รวมทั้งควายเทียมเกลียนที่ล่ามไวไร้รอบๆเรือนพา ก, กันสะบัดดึงเชือกเต้นกระสับกระสายอยู่ไปมานายเมย์หันมามองตาเขาเลือกแรกเชี่ยถากัดริมฝีปากเบาๆยางกายลุกขึ้นในทันทีนั้น เยลกออกจากที่เดิมอ้อมก่อร่วงมาสุดคุกข่าวอยู่อย่างอีกด้านหนึ่งหน้าหันออกไปทางเนินเขาหลังคอกวัวพุ่งสายตาไปยังหมู่ไม้ทึบที่อ่อนรูปโอนเอ็นไปมาด้วยกระแสลมแรงหัวหน้ารูขหาบตามติดเข้ามาด้วยโดยไม่ได้เอ่ยคําใดทั้งสิน้นอึดใจเดียวกันนั่นเองสิ่งมหัศจรรย์พันรึกกับพันปรากฏในคกองจักสุของเชตฐาสาให้อดีตนายพันโททูตทหารโบกเชื้อพระวงศ์กลายเป็นอัมพาตไปชั่ววิบตา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 เห็นแต่เพียงดวงตาใหญ่โปนทั้งคู่ราวกับจะเอาตุ่มมังกรเข้าไปฝังไว้ทั้งลูกลิ้นสองแฉกเท่าใบพายพุ่งออกมาแปลเปลาบเป็นจังหวะราวกับฟ้าแรบนายเมย์ผู้ยืนอยู่ข้างๆเขาในขณะนี้หยุดลมหายใจไปเสร็จแล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งเวลามันจะผ่านเป็นนาซนักเท่าใดไม่ทราบได้โดยความรู้สึกที่เหมือนกับถูกสะกดนี้เชษฐาไม่ได้สติก็ต่อเมื่อเงาประดุดพญารางเงานั้นค่อยๆเอน็นต่ำลงมาอย่างเงียบกลิบ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 ผ่านท้ายของจุด4 5 8แมกนัมแอฟริกันก็ขึ้นมาประทับอยู่กับปลายในเซี่ยวของวินาทีต่อมาศูนย์แตะเข้าไปที่ตาข้าซ้ายอันใหญ่ปานตุ่มนั้นแล้วนิ้วอันแข็งทื่อเป็นเน็บชาไปหมดก็กระดิกช่วงระยะนี้มันช่างนานแสนนานเหมือนร้อยปีก็ไม่ปานสำหรับความรู้สึกของเชิดาราวกับว่าไก่มันไม่ยอมลั่นฉนั้นครั้นแล้วมันก็ระเบิดตูมกึกก้องออกไปสถานสะเทือน ด้วยพลังใจอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงของคนยิงซึ่งพยายามต่อต้านกับอำ น, นาจลึกลับที่เข้ามาสะกดจูในขณะนี้ทันทีที่หัวกระสุนชนิด500เกรนผ่านช้นํำกล้องออกไปเชษฐาซึ่งหลักไม่ดีอยู่ก่อนแล้วพงะหลังลงกับพื้นติดตามไปด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับว่าโลกเบื้องหน้าของเขากำลังจะถล่มทลายลงมีเสียงฟู่ขึ้นราวกับหัวรถจากพ้นไอ้น้ออกมา จากนั้นป่าเบื้องหน้าก็แตกคลืนโครมกบเสียงพายุฝนในขณะนี้โดยสิ้นเชิงเสียงต้นไม้หักสนานเอ็นเกิดจากการตวัดตัวของมันต้นรางที่เคลื่อนไหวได้เบื้องหน้าม้วนตกบเป็นก้อนเข้ามาแลดูเป็นหนึ่งภูเขาแล้วมันก็สะบัดกวาดแหว่งเอาไปลไประท้กข้อหัวพังถล่มลงในพริบตาปรากฏเสียงดังโครมคลื่นเหมือนถูกแท็กเตอร์ยักษ์วิ่งเข้าชนหางบางส่วนวาดเข้ามากระทบกอรกูกที่เขากำบังอยู่แทบจะแหลกรานลงทั้งกอ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 พร้อมกับเสียงกำปั้นนาดของนัดที่สองเหมือนกับเพิ่มริดร้ายให้แก่เจ้า ง, งูมหายักษ์ตัวนั้นขึ้นอีกมันสะบัดดินสุดแรงเกิดฟาดฟงไม้และแผ่นดินเหมือนพายุทอร์นาโดปากอันใหญ่โตอ้ากว้างและเห็นแดงชาบเลือดทะลักฟูมเต็มหัวไม่มีปัญหานัดแรกของเขาเจาะในตาซ้ายของมันอย่างถนัดถนีที่สุดหมุนคว้างสายร่าอยู่ไปมาส่งเสียงคู่สนานราวกับหัวรถจักไอ้น้ําอยู่เช่นนั้นท่อนหางวาดขึ้นไปรัดพันกับต้นยางไว้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 เสียงไร้ท่วงทีกระโดมกันแผดขึ้นเอ็ดอึนสนานวันไหวเกือบเสียงอื่นใดหมดทั้งสิ้นพวกนั้นยิงออกมาจากทิศทางด้านต่างๆสุดแล้วแต่ใครจะมองเห็นส่วนใดของมันเจ้าสัตว์ดึกกระบาลหมุนตัวหลบพยายามจะเอาหัวถลายราบไปกับพื้นกระจากทางด้านข้อวัวของ ข, อง ข, อขยินซึ่งบัด น, นี้ฝูงวัวกระโจนแห่ข้ อ, ขอวิ่งกระจัดกระจายออกไปหมดจะบ่ายหน้ากระเลื้อยไปทางด้านตะวันออกของหมู่บ้านซึ่งเป็นทางเกวียนตายขึ้นมา ข้ามกลางเสียงร้องตะโกนเอ็ดไม่เป็นภาษาของพวกพลานและลูกหากที่วิ่งวุ่นกันอยู่ในขณะนี้แล้วคนไปกับเสียงปืนถี่ยิบไม่เป็นจังหวะทุกนัดที่คนเหล่านั้นช่วยกันระดมศาสตร์กันนาเข้าไปไม่มีการผิดเป้าหมายเลยมันเจาะทะลวงเข้าไปลําตัวอันใหญ่โตมโหฬารยาวเหยียดตามส่วนต่างๆนั้นจนเห็นเลือดทลากออกมาโศมนายเมย์เป็นคนสุดท้ายที่เพิ่งจะรู้สึกตัวได้สติกระออกวิ่งหนีพรางยิงพรางอย่างกระเจิดกระเจิง ส่วนเชื้อฐาคงหมอบประทับ ป, ปืนอยู่ที่เก่าบุญคําวิ่งตาดตรงเข้ามาหิ้วฝีเข่าพร้อมกับเกิดช่วยกันลางออาไม้ห่างรัศมีการวาดแห้งตัวของมันเหตุการณ์มันเต็มไปด้วยความชุนลมืนตื่นตระหนกเหลือที่จะกล่าวได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันช่วยกันยิงเข้าไปที่หัวของมันหัวหน้าคณะร้องลั่นสั่งการสะบัดบุญคํากับเกิดให้ห่างตัวออกไปแล้วยกปืนขึ้นอีกครั้งอย่างไม่คํานึงถึงชีวิตทั้งทั้ที่ขายังขย ե อยู่ พอจังหวะที่มูยักษ์มอรำตัวส่วนกลางขึ้นอีกครั้งเขาก็เล็งไปยังตำแหน่งอันควรจะเป็นที่ตั้งของกระดูกกลางแล้วเหนียวไกยด้านเปรี้ยงออกไปอย่างดุเดือดภาพที่เห็นเจ้าอระสูนบาดจากตีนตนนั้นทิ้งลำตัวที่ค่อนไปทางด้านหางฟาดลงมากับพื้นจนแผ่นดินสะเทือนกระสูนจุดห้กระทบกระดูกลำตัวของมันอย่างถนัดถนีเป็นนัดแรกผิดจากนัดอื่นๆที่เพียงแต่ผ่านกล้ามเนื้อเข้าไป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 พร้อมทั้งอาปากกว้างราวกับถ้ำพวกนั้นเพ่นกันกระจัดกระจายจ้าระวันไม่เป็นสํามันเป็นความชุนลมุนเหลือที่จะกล่าวท่ามกลางพายุฝนที่ครอบคุมอยู่ในขณะ น, นี้จันทร์กับเสืออยู่ในทิศทางที่ใกล้กับส่วนหัวของมันมากที่สุดทั้งสองกระหันหลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตพญางูผู้กำลังเ ก, กลี้ยกล่อดุร้ายเพราะความเจ็บปวดตลอดทั้งตัวอาบแดงชันไปด้วยเลือด เสือกตัวปราดเขาโลดไล่ลักษณะไม่ผิดอะไรกับโฮกิงตาที่เลื้อยไล่ลูกเขียดน้อยการเคลื่อนไหวของมันดูผัดผาดว่าไม่สู้จะว่องไวรวดเร็วนักก็จริงแต่อันเนื่องมาจากความใหญ่โตมโหฬารเพียงขนาดช้าๆของมันก็บุตรวิจจะเข้าถึงตัวมนุษย์กระเจ้าร่อยที่วิ่งกระเจิงกันอย่างสุดชีวิตในการเสือกตัวแต่ละครั้งระหว่างนี้ใครต่อใครที่มองเห็นเหตุการณ์หยุกพากันร้องเสียงหลงตื่นตนกจังงันกันไปนหมดแม้กระทั่งเชิดาเอง เขาใจหายว่าบคิดว่าไม่คนใดคนหนึ่งก็จะต้องพลัดเข้าไปในปากมัดจุดราชที่งับไล่มาอย่างมุ่งร้ายหมายขวัญภายในปริปตาข้างหน้านี้เป็นแน่ครั้นแล้วจันทร์ก็วิ่งสะดุดขาตนเองล้มกลิ้งไม่เป็นท่าห่างจากเบื้องหน้าของมันเพียงสิบปลาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าอสูรยุคโลกล้านปีขมวดงอตัวโกงสูงขึ้นตาข้างหนึ่งฟูมไปด้วยเรือซึ่งไหลยอยู่พรากพรกด้วยลูกปืนของเชิฐาอีกข้างหนึ่งลุกจ้าราวกับดวงไฟ แลบลิ้นเป็นแฉแปลกตราบเตรียมที่จะพุ่งหัวอันจูร่าขึ้นหมายฉกเหยื่อหนึ่งในสิบของวินาทีดับจิตนี้เองสติสัมปชัญญะกลับคื้นมาสู่เชี่ยาอีกครั้งเขาฟาดไรเฟื่เข้าหาดวงตาข้างที่ยิงไว้แต่แรกซึ่งเป็นด้านที่เห็นถนัดนั้นแต่ก่อนหน้าที่กระสุนซึ่งบรรจุอยู่ในซนัดสุดท้ายของยุดนั้นจะระเบิดออกไปเพียงวิคตาเดียวจุดสามเจหในมือของพรานเท่าบุญคำก็สนันตูมขึ้นเสียก่อนอย่างทันต่อเหตุการณ์ ส่วนของเขาปทัทุขึ้นพร้อมกับปืนในมือเกิดแล้วจากนั้นกระแสระงมประสานกันขึ้นอีกหลายนัดจากนักวิทยาอีกหลายคนซึ่งล้วนเคยชินต่อเหตุการณ์ขับขันมาดีแล้วจนสามารถร่วมทีมกันได้อย่างกลมเกลียวอำนาจปะทะของไรเฟิลแรงสูงขนาดต่างๆกันไม่ต่ำกว่าสินัดที่พุ่งเข้าหาเป้าหมายรวมจุดในเวลาเกือบจะพร้อมกันวินาทีมอรณะของจันให้ห่างไกลออกไปได้อย่างบุดวิด๋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 ส่วนหัวของมันก็ซบนิ่งอยู่กับที่ตรงนั้นไปชั่วขณะหนึ่งในลักษณะถูกน็อกซ้ำเร็วเชษฐามีเสียงอยู่ทุกอนวงการออกไปจนหมดบรรจุกระสุนชุดใหม่ของเขาอย่างลุกลี้ลุกลนรีบด่วนที่สุดแล้วทั้ง3ามผ่านก็กดเข้าให้อีกคนละตูมท่ามกลางความรีบร้อนฉุกระหุกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันจะกระทบกับส่วนไหนบ้างในขณะนี้ไม่มีใครทำนายได้ถูก <c oughs> แล้วขณะที่เชษฐาบรรจุกระสุนส่งุึ้นลำและยกขึ้น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 แล้วก็ห่อแนบหัวซุกหัวสุนเพื่อนำตัวออกให้พ้นวงเชือกยักษ์ที่กำลังขงโมดเข้ามานั้นชนิดตัวใครตัวมันเชษฐาก็ทิ้งไรเฟิลในทันทีนั้นแขนข้างหนึ่งคล้อ ง, องขอบุญคำไว้อีกขาที่ยังดีอยู่วิ่งแบบขย e งเก่งก่อยซึ่งในเวลาปกติก็แทบไม่เชื่อตัวเองมาก่อนว่าจะวิ่งได้เร็วถึงเพียงนี้บุญคาก็ดีเหลือใจทาหน้าที่แทนนพินได้เป็นอย่างดีไม่เคยจะคิดทิ้งเาเอาตัวรอด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 รู้สึกว่ามันจะม้วนซ่อนหลบเข้าไปโดยเอาลำตัวอันกองผนินเททินทึกเป็นกำบังเสียงขู่ฟู่ฟ้ายังคงดังอยู่เป็นระยะแต่ละครั้งที่มันพ่นลมขู่ออกมาแทบจะทำให้ทุกคนขาดใจตายไปได้วยความสนก อ, อกสัน่ขนขณะนั้นนายเมย์ก็ถือไรเฟิลที่รับแจกประจำมือซึ่งยิงออกไปน้อยนักที่สุดพกขี้ขึ้นไปอยู่บนหัวสมองวิ่งหน้าตาไม่เป็นผู้เป็นคนผ่านมาบุญคำก็โดดเข้าล็อกคอไว้แย่งปืนมาไอเมย์อเองไปวิง่งหนีไปให้เร็วที่สุด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 ปะหนึง่งภูเขาราวกาของเจ้าอสูรดึกดำบันตัวนั้นความเงียบปกคลุมไปทั่วเสียงขู่ของมันก็พ่อยเงียบไปด้วยเกิดเซยเด็จันโผล่รับล่อออกมาจากมุมต่างๆถือปืนจดๆดจ้องจเชษฐาก็โบกมือเป็นสัญญาณให้พวกนั้นสงบนิ่งไม่ให้เคลื่อนเข้าไปใกล้และไม่ให้ยิงนอกจากเตรียมพร้อมอยู่เช่นนั้นไม่มีใครสามารถจะคาดกันนสิ่งใดได้ถูกทั้งสิ้นและวินาทีที่ผ่านไป เป็นความกระสับกระส่ายร้อนรุ่มเลือที่จะกาวมันหมดดิ้ตรงแล้วหรือยังมันจะชูหัวและก็สำแดงเดชขึ้นอีกเมื่อไหร่นี่เป็นปัญหาที่ถามอยู่ในใจอันเต้นไม่เป็นสัมของทุกคน 2. นาทีผ่านไปซึ่งนานเหมือนถูกกดให้จมอยู่ในนรกร้อยปีก็ไม่ปานท่ามกลางสายตาอันเบิกโพรงของทุกคนที่จ้องจับไปเป็นตาเดียวต่างก็เห็นลาตัวที่ขมวดพันตัวเองยุ่งเหยิงอยู่นั้นค่อยๆสยายคลายออกช้าๆ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 เชษฐาก็ตะโกนบรรชากร้องยิงเสียงปืนแผ่สะเทือนเรื่อนด้านประสานพร้อมกันขึ้นอีกครั้งจากทิศทางต่างๆที่คอยจับจ้องอยู่แล้วตัวหัวหน้าคณะเองวิ่งขยเเยกขยเเยกกลับมาที่ไรเฟิลประจำมือของเขาอย่างแข่งกับเวลาด้วยความหวังว่าขออีกิล น, นัดเดียวเป็นนัดสุดท้ายเท่านั้นที่จับเข้ากลางส่วนหัวของมันด้วยขนาดจดหแมดกนัมไ um. อ้ยักษ์ใหญ่อาจพบจุดอวสานของมันลงได้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 แสดงให้เห็นชัดว่ากำลังของมันยังมีอยู่ไม่ใช่น้อยลูกปืนที่พ่วกพลาและลูกหาช่วยการระดมศาสตร์เข้าไปเป็นชุดสุดท้ายหยุดมันลงไม่ได้และไม่รู้ผลว่าเป็นเช่นไรสิ่งที่เห็นต่อมาก็คือยอดไม้ดงไหวเป็นคลื่นตามทิศทางการไปของมันเหมือนมีรถไฟทั้งขบวนเข้าไปวิ่งแวกอยู่ภายใต้ ท, ทั้งที่พา ย, ยุยังพัดกระหนาคลื่นคลานอยู่ในขณะนี้ก็ยังได้ยินเสียงเลื้อยอู้ของมันอย่างถนัด บุญคำกับจันทรขยับจะแล่นตามเข้าไปแต่เชษฐารองห้ามไว้ยังไม่ต้องตามปล่อยมันไปก่อนถ้าตามก็ทันครับมันหลังหักไปแล้วคงไปไม่ได้ไกลนะักจันทร์บอกกระหืดกระหอบรอให้ผ่านใหญ่กลับมาสิก่อนเราประท่า ม, มันได้แค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วทุกคนเข้ามารวมกลุ่มพวกชาวบ้านก็ฮือกันออกมาจากบ้านท่ามกลางความตนุกอกสัน่นโกลาหลกันไปหมดเชษฐาสั่งให้สำรวจโดยเร็วแล้วเขาก็ถอนใจออกมาอย่างร้องอก เมื่อปรากฏว่าไม่มีพวกลูกหาหรือชาวบ้านคนใดเป็นอันตรายเลยนอกจากเกลือนหลังหนึ่งจะถูกหางของมันกวาดพังไปพวกที่ติดอยู่ในบ้านคลอะร้ายหลังนั้นเปลี่ยนแต่เคล็ดขัดยอ่อเพราะตกเกลือนบ้างเท่านั้นเลือดของพญา ง, งูยักษ์ยังคงปรากฏกองอยู่ให้เห็นเปื้อนไปหมดตลอดทั้งลานหมู่บ้านมีแนวกระจัดกระจายวงกว้างในรัศมีร่วมร้อยหลาเท่าที่มันจะดิ้นรนฟัดฟ้าตัวไปขณะที่โรมรันกับฝ่ายมนุษย์บางหย่อมเป็นกองหนาราวกับใครมาเชือดวัวไว้ทั้งตัว สภาพของรอยเลือดบอกชัดว่ามันได้รับบาดเจ็บชะกันไปไม่น้อยทีเดียวแล้วเชี่ากับทั้งหมดก็เฝ้ารอคอยข่าวๆจากฝ่ายของรพินที่ยังเงียบหายไปอย่างไม่มีอะไรกระตกกระตากด้วยความกังวลกวายใจเหลือที่จะกล่าวพรานใหญ่กับอีกสี่คนที่ร่วมคณะไปด้วยขณะนี้อยู่ที่ไหนพวกนั้นเป็นฝ่ายที่เดินสวนมุ่งเข้าไปหางูยักษ์ตามแผนแต่แล้วเหตุใดจู่ๆอสูรดึกดําบันตัวนั้นจึงย่องเข้ามาตีท้ายครัว จนเกือบจะถล่มทลายวายวอดกันไปทั้งหมู่บ้านไม่มีใครได้ยินเสียงระเบิดจากธนูของแงซายไม่ได้ยินแม้แต่เสียงปืนจากชา ย, ยันหรือดารินทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเชียบอยู่ในปริศนาอันไม่อาจทํานายได้พลานใหญ่กับคนเหล่านั้นหายไปไหนเสียแล้วพลานทั้งสี่ที่รพินทิ้งไว้ให้ก็ไม่มีใครสามารถจะคลี่คลายปัญหาข้อนี้ของหัวหน้าคณะเดินทางได้ต่างก็ร้อนใจราวกับถูกไฟเผาไปด้วยกันทุกคน ตามถือคาบในายใหญ่ถ้ามันจะยังไงเสียแล้วบุญคำพูดมาเร็ว เ, วเชืฐาถน่าเครียดเต็มไปด้วยความกังวลขีดสุดช่างใจอยู่ครู่ก็ตัดสินออกมาอย่างคนรอบคอบว่ารออีกสักพักถ้ายังเงียบอยู่ค่อยออกตามก่อนหน้าการระเบิดกระสุนนัดแรกของเชืฐาเพียงอึดใจเดียวแล้วพินกับแงซายเดินย่องตามกันไปตามด่านสัตว์เล็กมุ่งสวนเขาหาเสียงที่กําลังเลื้อยอย่างแช่มช้าเงียบกริบมาตามด่านสายใหญ่เบื้องหน้าทั้งสองมีความคิดตรงกัน คืออ้อมเข้าดักทางด้านข้างเพื่อที่จะเห็นตัวเจ้าของเสียงเลื้อยนั้นในระยะใกล้ที่สุดที่จะเข้าใกล้ได้โดยไม่เปิดโอกาสที่มันรู้ตัวผ่านใหญ่ไต่ข้ามห้วยแห้งเล็กๆขึ้นไปยังอีกฟากหนึ่งแหน่ท า, ายก็ติดหลังขึ้นมาทั้งสองมาซุดตัวหมอบอยู่ข้างจอมปลวกใหญ่เบื้องหน้าเป็นซุ้มเถาวัรและหมูไม้ใหญ่น้อยหนาทึบปกคุมบริเวณ น, นั้นไว้เล่ากับมีหลังคาครอบมองไม่เห็นท้องฟ้า ด่านใหญ่ที่แยกพ้นทางออกมาแลเห็นอยู่เบื้องหน้าระยะห่างไม่เกิน40บหลาทางด้านซ้ายมือของด่านเป็นเป็นเวณเนินโคกมุมก้อนหินใหญ่ลักษณะโค้งข้อศอกเจ้า ง, งูยักษ์จะต้องเลื้อยโผล่ให้เห็นออกมาจากมุมนั้นถ้าหากมันยังคงคืบรุดหน้ามาตามทิศทางที่คำนวณไว้แง่ า, ายลงหมอบพังภาพเอาหูแนบพื้นฟังอีกครั้งอึดใจเดียวก็สุดตัวขึ้นคุกเขา่าจ้องตาเขานิ่งอยู่เช่นนั้นโดยไม่เอ่ยคาใด แต่หยิบลูกธนูติดระเบิดขึ้นเตรียมผ้าสายอย่างระมัดระวังและนั่นย่อมเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดซึ่งละพินก็ไม่จำเป็นต้องถามเหมือนกันเขาก็จุดบุหรี่ขึ้นในบัตรนั้นเจอะริมฝีปากเข้าไปชิดหูแง่ทรายคอยฟังสัญญาณยิงจากชั้นและพยายามยิงให้ปักส่วนใกล้เคียงกับหัวของมันมากที่สุดพอธนูปักกระโดดลงลำห้วยทันทีจอมขอมังธนูแง่ทรายพยักหน้าเงือผุดซึม ในตาเบิกโพรงจับไปยังมุมทางด่านนั้นตาไม่กระพริบรพินปลดเซฟรเฟินประจํามือแล้วค่อยๆวางตรงหน้าในลักษณะที่จะหยิบฉวยขึ้นมาได้อย่างทันทีเปลี่ยนบุหรีที่ติดไฟมาถือพร้อมไว้ในมือขวาสายตาของเขาจำเรืองอยู่ในระหว่างสายชนวนที่ดอกธนูอันพาดสายของแง่ทรา ย, ายและทางมุมด่านนั้นในบริเวณอันเป็นดงอันทึบเช่นนี้แม้พายุเบื้อง บ, งบนเหนือขึ้นไปจะยังคงโหมกระเพื่ออยู่อย่างรุนแรง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 เสียงไหลเฟิ น, นัดหนึ่งแผึกกล้องแววสะท้อนมา <c oughs> กองวานซ่าไปทั้งลูกเขาก่อนจะทันรู้สึกตัวเช่นไรก็ตูมลั่นตามขึ้นมาอีกนัดในระยะเวลาทั้งสองหันพรวดไปจ้องตา ก, กันด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวได้ถูกยังไม่ทันจะอ้าปากเอ่ยคําใดแกกันออกมาทีนี้ก็ได้ยินเสียงตมูตมตมูมตูมนับนัดไม่ถ้วนเอ็ดอึงประสานกันแทบไปหมดเหลากับเกิดมีการต่อสู้กันขึ้นขนาดใหญ่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 เพนเข้ามาตบปลายแง่ทรายเตือนให้ลุกขึ้นแล้วกระโดดลงห้วยต่ายกลับขึ้นอีกฟากหนึ่งแง่ทายก็กระโจนตามติดอย่างว่องไวทันทันกันทั้งสองครึ่งวิ่งครึ่งเดินเราะละัดตัดทางอย่างรีบร้อนบ่ายหน้าย้อนมายัางตำแหน่งที่ทิ้งชายยานดาลินและขยินไว้ตลอดเวลาที่จํำอ้าวมาเสียงปืนยังคงดังติดต่อกันอยู่เช่นนั้นอย่างไม่ยอมหยุดมันเป็นการระดมยิงอย่างขนานใหญ่ทีเดียวนับนัดมิถ้วน และคาดไม่ถูกด้วยว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อใดชัยยันดารินและขยินกระสับกระส่ายหน้าตาตื่นตกใจอยู่ก่อนแล้วพอระพินกับแง่สายโผ่ย้อนกลับมาทั้งสามก็กระโจนออกจากที่กำบังสีหน้าของแต่ละคนบอกความตนกและงุนงงไม่อาจเป็นใหญ่ได้และแม้ทั้งสองฝ่ายจะมายืนหน้าตื่นเลือกรักจ้องกันอยู่ในขณะนี้แล้วเสียงปึงทางด้านหมู่บ้านจะส ง, งบลงก็หาไม่มันคงตูมตามสนันวันไหวอยู่เช่นนั้น ตะลุมบอลใหญ่แล้วชายันละล่ําลักออกมาให้เจ้าหักคอเถอะเดาไม่ถูกเลยว่าเกิดการยุกอะไรขึ้นกับพวกเราที่หมู่บ้านโน้นรีบกลับเถิดครับถ้ามันยังไงเสียแล้วแล้วเพลินพูดแค่นั้นก็ออกเดินอ้าวนําไปเบื้องหน้าโดยเร็วชนิดไม่ยอมไม่เสียเวลาแม้แต่นิดหนึ่งชายันกับดารีนเพลนติดตามมาอย่างกระชั้นชิดทั้งหมดเร่งฝีเท้าเต็มที่ซักถามผู้จา ก, กันไปพางทางด้านคุณกับแง่ทรายว่างไงมันกําลังจะโผล่ออกไม้เห็นอยู่แล้ว พอดีเสียงปืนทางด้านโน้นดังเป็นข้าวตอบแตกสิก่อนมันก็เลยเบนหัวพระถอยกลับไปบางเหลี่ยมก้อนหินนิดเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีเสียงปืนดังขึ้นเสียก่อนทําให้มันตกใจป่านนี้แง่าสายได้ยิงแล้วแน่ใจหรือว่าไอ้งูยักษ์ตัวนั้นกําลังจะโผลออกมาขณะที่คุณดักคอยอยู่กับแง่าสายโดยมันไม่เปลี่ยนทิศทางอ้อมย้อนไปเดินงานพวกเราที่หมู่บ้านโดยปล่อยให้เราดักมันเกอ้ออยู่ทางนี้ชายยานถามแทบจะไม่หายใจแน่ใจที่สุด ผมได้ยินแม้แต่เสียงที่มันเลื้อยใกล้เข้ามาห่างไม่ถึงหกสิบเมตรเท่านั้นถ้าไม่ใช่เพราะก้อนหินใหญ่บังก็คงมองเห็นตัวแล้วแล้วถ้างั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านคราวนี้ชัยยันเอ่ยมาเหมือนกระซิบจ้องหน้าเขาตามไม่กระพริบหน้าซีดนั่นนะสิครับมันเป็นปริศนาที่ทำให้ผมร้อนใจจนบอกไม่ถูกไปหมดแล้วผมสังหารสินแล้วว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณชัยยันเคยสันนิษฐานให้ข้อคิดไว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 เสียงปืนที่ดังแซ่สามราวกับประทัดตุลจีนติดต่ อ, อกันอยู่พักใหญ่ก็ซาสงบไปอีกครู่เดียวที่พากันเดินมาอย่างรีบรุ่ใกล้จะถึงเขตหมู่บ้านต่างก็ได้ยินเสียงผู้จาเอะอึงขะนึงแววมาจากหมู่บ้านนั้นฟังไม่ได้สัพท์แต่สำเนียงที่ได้ยินเหล่านั้นพอจะสำเนียงได้ว่าเต็มไปด้วยความตื่นตระนกตกใจเหลือที่จะกล่าวไม่ขี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งห้าคนก็ตรงเข้ามาถึงต่างใจหายวาบ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 ป่านนี้ไม่ใครก็ใครคงเสร็จกันไปบ้างแล้วเชิดถาเองบัดนี้ก็เต็มไปด้วยความปิติยินดีเช่นกันที่เห็นวพินกับคณะพากันกลับมาอย่างปลอดภัยนี่แปลว่ามันมีสองตัวแน่แล้วหรือหัวหน้าคณะถามยังไม่คลายความตื่นเต้ น, ต, นต่อเหตุการณ์พรานใหญ่หยิบชายผ้าของม้าที่เขียนเอวอยู่ขึ้นเช็ดเหงื่อปนละอองฝนบนใบหน้าที่หน้าผาของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยเห็นจะไม่มีปัญหาหรอกครับเหตุการณ์ครั้งนี้มันพิสูจน์ให้เราเห็นชัดอยู่แล้ว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 ขายังไม่เข้ายังชั่วดีเลยแต่ลุมบอลกับไอ้ยักษ์เข้าให้แล้วราจดสกุลหนุ่มหัวเราะก้มลงมองดูขาตัวเองเหตุการณ์ในตอนนั้นทําให้ลืมคิดถึงเรื่องขาหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่ได้บุญคามป่านนี้ก็คงจะถูกลําตัวมันบดแหลกไปแล้วฟาดกับมันไปตามเรื่องเพราะความจําเป็นมันบังคับอีกตอนนั้นชุลมุนชุนเกกันดีเหลือเกินเจ้าปคุณเอ้ยไม่รู้ใครเป็นใครวิ่งกันตับแทบสุดแต่นับว่าโชคดีมากที่พวกเราส่วนมากไม่ถึงกับเสียสติ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 เรียกบุญถามผู้ร่วมเหตุการณ์อยู่กับเชฐ้อย่างใกล้ชิดเข้าไปซุบซิบสอบถามอะไรอีกคู่ใหญ่ก็เดินกลับมาที่คณะนายจ้างซึ่งบัดนี้ชุมนุมกันอยู่ที่เรือนพักทุกคนเห็นตาเครียดเคร่งเปี่ยมไปด้วยความกังวลหนักคู่นั้นเป็นประกาแห่งความหวังขึ้นผมตรวจ ด, ดูรอยแล้วครับพรานใหญ่พูดแผ่วต่ําดูดควันบุหรีจนแก้มตอบมันถูกชะการไปไม่น้อยทีเดียวรู้สึกว่ากระดูกกลางลําตัวบางส่วนจะหักด้วยถ้าคํานวณไม่ผิดไอ้ยักษ์ตัวนี้คงไปไม่รอด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 ไม่มีร่องรอยของสัตว์สีเท้าชนิดใดอาศัยหากินหรือเดินผ่านทางนี้มาก่อนทั้งสิน้นนอกจากสัตว์ประเภทเรื้อยคารและพวกนอนตัวใหญ่ๆทางไปของเจ้า ง, งูยักษ์บริเวณนี้เป็นร่องประหนึ่งในเรือชลาดแล่นไปบนบกยิ่งลึกเข้าไปการเดินก็ยิ่งลําบากขึ้นทุกขณะสองสาครั้งที่ชายยันก้าวเหยียบลงไปบนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยใบยไม้หนาทึบนั้นแล้วก็เสียหลักถล่มบูบทํำท่าจะจมมิดหายไปเหมือนตกหลุมอันซ่อนอยู่ข้างใต้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 ชี้ชีเดี๋ยวพัดก็ซัดเปรียงให้เท่านั้นหน่อยแน่เสือกบอกจะได้ว่าอยากเห็นต่อหลุมแทะเหลือแต่กระดูถึงเหลือแต่กระดูเขาก็เตะเองได้วะขยินทุกคนหัวเราะ ก, กันขึ้นได้เป็นครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศอี่เครียดหนักนั้นบุญขำคอนหัุหน้าบ้านหลุมช้างประดับปรเปลือกทำปากบุบมิบอยู่เช่นนั้นขยินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่กล่าวเช่นไรลุยทะเลใบไม้แห้งสุบวบนำไปเบื้องหน้าอย่างชำนาญทาง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 จึงมาหยุดยืนนิ่งอยู่บริเวณหนึ่งมีรำต้นของไม้ใหญ่ที่ชูยอดขึ้นไปชนิดแงนคอตั้งบ่ายยืนเรียงรายกันอยู่ห่างๆแปลกจากต้นไม้ขนาดเล็กหรือพวกวัชพืชที่อาศัยขึ้นเกะกะตามดินแม้แต่ต้นเดียวเห็นแต่พื้นใบไม้แห้งสีครามปกคลุมไว้อย่างสม่าเสมอตามลักษณะของพื้นที่ราวกับจะมีใครมาเกลี่ยวไว้รอยของหมูยักษ์ที่เลื้อยเป็นทางมาตลอดบ่ายหน้าลงไปยังระดับลาดต่า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 อีกอย่างหนึ่งเราก็มีสายเชื่อข้างหนึ่งมัดติดต้นไม้อยู่แล้วพลาดทั้งยังไงก็ยังช่วยดึงตัวขยินขึ้นมาได้เอาละสมมุติว่าเราผ่านปัญหาข้อนี้ไปได้แต่คิดอะไรกันบ้างหรือเปล่าดารินเอ่ยเบาๆต่อมาด้วยวิสัยอันรอบคอบถี่ถ้วนอันเป็นลักษณะเดียวกันกันกบเชิฐถาผู้เป็นพี่ชายตาสอบประกายสยดสยองของรอนอยังจับนิ่งไปยังทะเลใบไม้แห้งเหล่านั้นห่อไหลลง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 ที่ไม่มีใครเอ่ยคําใดออกมานอกจากมองตากันนิ่งพระพีนกวาดสายตาสำรวจภูมิประเทศลักษณะชอบคนนั้นอีกครั้งแล้วก็ตัดสินใจในทันทีนั้นผมกับขยินจะข้ามปลักใบไม้นี่ไปที่ต้นยูงต้นนั้นก่อนบางทีอาจได้ร่องรอยอะไรเพิ่มขึ้นตกลงชายยานพยักหน้าอย่างง่ายๆด้วยความเชื่อมือพรานใหญ่หันไปส่งภาษากับขยินพร้อมทั้งล้วงเชือกนล่อนที่ติดอยู่ประจาในยามหลังโยนไปให้แง่ทราย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 เอ๊ะทำไมเลือดมันถึงมากองเป็นปักอยู่ตรงนี้ชัยยันพึมพามขึ้นอย่างแปลกใจจอมผ่านวิจนาดูร่องรอยเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วนระมัดระวังตาเป็นประกายมันมาหยุดเอาหัวเช็ดกับโคลนต้นรางนี่พักใหญ่ทีเดียวก่อนที่จะเลือ้อยหายลงไปในทะเลใบไม้นั่นนี่เป็นรอยเลือดจากส่วนหัวของมันแสดงว่าบาดแผลจะกันมากเลือดจึงยังอ่ออยู่เรื่อยๆโดยไม่มีการหยุด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 กลางทะเลของใบไม้อันมีลักษณะประหลาดซึ่งจะดูดสิ่งมีชีวิตที่มีน้ำหนักตัวทุกชนิดให้จมหายลงไปภายใต้อย่างลึกรับทั้งๆ ท, ท, ที่มองด้วยสายตาปัดผ่านว่าน่าจะเหยียบย่างผ่านไปได้ไอของอะไรชนิดหนึ่งระเหยกลุ่นเป็นกลุ่มหมอกควันบางๆขึ้นมาจากผิวพื้นเหล่านั้นปกคลุมไปทั่วมองดูรีรับชวนขนพองสยองกล้าวอย่างไรบอกไม่ถูกยิ่งห่างออกไป ส่วนร่างของลำตัวขยินที่กระดิบไปนั้นก็ถูกกลุ่มใบไม้ไมฤรตยูกลืนไว้หมดสิน้นคงเห็นแต่ส่วนศีรษะเท่านั้นที่โผล่กระดิบกระดิบอยู่และดูไม่ผิดอะไรกับลอยคอไปในน้ำทุกคนเฝ้าจับมองดูด้วยอาการหายใจไม่ทั่วท้องประสาทขมิ้งเกลียวตึงเครียดบุญคำยึดปลายเชือกไว้มั่นอย่างเตรียมพร้อมที่จะฉุดรากนายบ้านหลมช้างขึ้นมาอย่างทันการหากพลาดพังจมหายลงไปเช่นไร แง่ทายด้วยจันก็คอยเตรียมให้ความร่วมมืออยู่คนละด้านในที่สุดขยินก็ไปถึงต้นยูงต้นที่หมายตาไว้โดยสวัสดิภาพตะกายขุบขักอยู่ที่นั่นครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นยืนท่ามกลางการถอนใจโล่งอกของคณะทุกคนนักเรียงชาวดอยแก้ปลายเชือกที่รัดเอวอยู่ออกมาติดกับต้นยูงขึงจนตึงเป็นสะพานแล้วโบกมือยิ้มร่ามาพรานใหญ่เหวี่ยงไรเฟื่ขึ้นสะพายไหล่รัดผ้าของม้าเคียนเอวให้แน่นกระชับแล้วหันมาทางชายยัน ทุกคนรอผมอยู่ฝั่งนี้ก่อนถ้าผมโบกมือเป็นสัญญาณแปลว่าให้ทยอยข้ามตามกันไปผมกับขยินอาจข้ามกลับมาที่นี่ก็ได้ถ้าไม่ได้ร่องรอยอะไรจากทางด้านนั้นชายยานตกไลาเขาแทนคำตอบพรานใหญ่หันไปสั่งความกับแง่ายและคนของเขาสองสาคำก็ใช้มือทั้งสองยึดสายเชือกที่โยงตึงเป็นสะพานนั้นไว้เป็นหลักค่อยๆ ย, ย่างเท้าตามปกติลงไปยังพื้นที่เห็นปกคลุมอยู่ด้วยใบยไม้นั้น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 และให้ใช้สายเชือกนั้นเหนี่ยวร้างกายคืบหน้าไปจอมพรานเหนี่ยวสายเชือกดึงตัวกลับขึ้นฝั่งเดิมเพื่อถอนตัวขึ้นจากปลกรโคลนดูดก่อนแล้วแหงนมองไปยังนายจ้างทั้งสองซึ่งยืนมองดูเขาด้วยความสงสยัยบอกเรียบเรียกว่าใบไม้มันปกคลุมให้เห็นอยู่สองสตเท่านั้นเองครับข้างล่างเป็นคโคลนทั้งนั้นคโคลนดูดด้วยผมสงสัยมาแต่แรกแล้ ว, ว่าลำพังกองใบไม้นั้นมันจะดูดที่จมลงไปได้ยังไง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 พักใหญ่จึงไปถึงตำแหน่งที่ขยีนยืนคอยอยู่ก่อนแล้วพักพวกทั้งหมดทางฝั่งนี้เห็นเขาจับมือขยีนที่ส่งลงมาให้เหนี่ยวกายขึ้นไปทั้งสองดูเหมือนจะสำรวจไปรอบๆและปรึกษาหารือกันอยู่คู่ใหญ่ท่ามกลางความกระสับกระส่ายของชายยานระดาลินต่อมาจึงเห็นทั้งรพินและขยีนช่วยกันโบกมือเป็นสัญญาณให้ข้ามตามไปบุญคําได้รับคําสั่งจากพรานใหญ่วิก่อนแล้วเกี่ยวกับการควบคุมจัดขบวนเคลื่อนย้าย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 แแ่ทรายกับจันทร์ก็ช่วยกันออกแรงชักเพิ่มขึ้นอีกสองแรงครั้นแล้วทั้ง7คนในคณะก็ข้ามมารวมกันอยู่อีกด้านหนึ่งได้ครบจํานวนเรียบร้อยทันทีที่ขึ้นมาถึงโคนต้นยุงใหญ่5คนที่ตามมาทีหลังก็มองเห็นรอยของงูยักษ์ตัวนั้นอย่างถนัดชัดเจนมีรอยโคนสดๆเปรอะเลอะเป็นทางกว้างใหญ่ผ่านตรงบริเวณดินแข็งโคนต้นยุงด้านหนึ่งเป็นช่วงระยะ10กว่าเมตรแล้วก็หายรับไปใต้พื้นใบไม้อีกด้าน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 บริเวณนี้เห็นจะเป็นปักโคลนทั้งนั้นแวดล้อมรอบด้านทีเดียวชายยานกล่าวออกมาแผ่วต่ำในลำคอขณะที่กวาดตาไปรอบๆด้วยความเสียวสยองแล้วขนพร่านใจอย่างไรบอกไม่ถูกภูมิประเทศที่เห็นมันชวในให้ขนหัวรุกพ่านใหญ่คงอยู่ในอาการขรึมสงบปกติของเขาจนอ่านไม่ออกควักบุหรี่ออกมาจุดสูบเป็นตัวแรกภายในของเขาเริ่มอึดอัดกังวลใจชำเลืองแวบหนึ่งไปทางหญิงสาวอย่างเป็นห่วง ล่าจะส ก, กุลสาวนักผจนภัยผู้ผิดเพศบัดนี้ริมฝีปากแห้งผากเหงื่อออกโชกเต็มตัวจนเสื้อราสัดเปียกชุ่มราวกับอาบน้ำรัดแนบเนื้อเข้ามาเห็นสวดทรงเด่นใบหน้าขาวซีดด้วยความเหนื่อยจัดการลงนอนราบกับพื้นนำตัวเคลื่อนที่ไปด้วยกำลังข้อโดยอาศัยเหนียวสายเชือกรากตัวเองมันเป็นการออกแรงหนักที่สุดสำหรับผู้หญิงเขาอดที่จะพิศวงเสียไม่ได้ว่า รอนสามารถข้ามมาได้อย่างไรแล้วก็ไม่ได้ปิกปากคาใดแม้แต่คําเดียวนอกจากอากับกิริยาและสีหน้าเท่านั้นซึ่งหลบซ่อนไม่ได้ถึงความรู้สึกภายในขณะนี้ถูกอย่างคุณชัยยันว่าแล้วครับขอหันไปตอบชัยยันเบาๆแถวนี้เป็นปรกโคนทั้งนั้นมีเวรติดต่อกันไปอย่างกว้างขวางชนิดยังเดาไม่ถูกว่ามันมีขอบเขตกินแดนไปถึงไหนบ้างขยินเองก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกัน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 ถึงอย่างไรมันก็นำทางเราได้แต่หมายถึงว่าเราจะต้องระมัดระวังตัวเองและใช้การวินิจฉัยไข้กวนของเราเองด้วยลงปลักโคนมันร้อมรอบไปหมดอย่างนี้มิแปลว่าเราต้องไปกันโดยตายเชื่อเป็นระยะๆไปเลยก็ขยินบอกไว้ยังไงว่ า, อ า, วาพอมาถึงที่นี่แล้วพอจะมีทางเดินดารินเอ่ยขึ้นอย่างกางังวลสีหน้าชักไม่ดีนักจะเข้มแข็งทรหดอดทนสกปานใดก็ตามหล่อนเริ่มรู้สึกท้อแท้ทอดอะไรขึ้นเป็นครั้งแรก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 แต่สังเกตเห็นขยินใช้ความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนที่สุดบางขณะก็หยุดรังเลคิดและทดลองแย่ท้าถ่วงน้ําหนักลงไปก่อนเหมือนจะยังดูว่ามันพอจะรับน้ําหนักไว้ได้หรือไม่ทําให้ชายยานและดารินอดไม่ได้ที่จะหัวคิดไปถึงสภาพของบึงมรณะในหุบหมาหอนที่ผ่านมาแล้วซึ่งต้องอาศัยเดินไปตามขอบสันดินที่โผล่เป็นเกาะลักษณะเทียวกันจะผิดกันก็แต่เพียงครั้งนั้นสามารถจะมองเห็นน้ําที่ล้อมรอบอยู่ได้ชัด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 ก็บรูลุถึงป่ารกทึบที่ต้นไม้ขึ้นกันเบียดเสียดนาแน่นเช่นเดิมอันแสดงว่าคงจะสุดขอบของบริเวณที่เป็นปรคโกนด้านหนึ่งแล้วทั้งหมดแยกตัวออกจากการเดินเรียงแถวตามกันสำรวจไปรอบๆบขายินบนอะไรพ ร, รมอยู่ในลำคอสั่นหัวหน้ายุ่งเดินนำบุกป่าฝ่ารกประเดี๋ยวโผล่ออกทางด่านสัตว์ที่เริ่มจะเห็นปลกปลายประเดี๋ยวก็แหวกพงเถาวันนามุดรอดไปสลับกันอยู่เช่นนั้น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 และเฟินเห็นเขี้ยวชะอุ่มไปหมดอุดมไปด้วยโขดหินใหญ่น้อยเรียงรายอยู่ระเกะระ ก, กะด้านหนึ่งเป็นเชิงขาวของอีกลูกหนึ่งแลเห็นทางน้ำไหลเล็กๆซึ่งซาะ ด, ดินว้าแหว่งลงมาจนดูเหมือนขั้นบันไดที่ใครมาทำไว้ต่ขึ้นไปยังก้อนหินใหญ่สามลูกที่เรียงซ้อนกันอยู่ภายใต้เชิงผาลักษณะเหมือนถ้าอันไม่สูงขึ้นไปนะักดอกวานบางชนิดส่งกลิ่นมะกลุ่น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 ลาจักสกุลสาวสะดุง้งลืมตาโพลงขึ้นอย่างตกใจพอมอเห็นชายยานหล่อนก็ขยับตัวพูดพร่าทำท่าจะลุกขึ้นโดยเร็วแต่เพื่อนหนุ่มจับไหล่กดไว้ยิ้มให้กระซิบเธอเหนื่อยมากน้อยนั่งพักเอาแรงสักประเดี๋ยวก็ได้ดาลินกวาดตาก็มองเห็นพักพวกทุกคนพา ก, กันนั่งเรียงรายกันอยู่เป็นระยะกำลังมองมาที่หล่อนอย่างเอื้อน้ำใจหญิงสาวฝืนยิ้มเจริญปาดแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อที่เกาะพราวอยู่บนขนตา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 ไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนหล่อนหลบตาเขาพึมพำขอบใจแล้วรับกระติกน้ำมาเปิดจุกออกดื่มกัวอคอถอนใจยาวสีหน้าค่อยดีขึ้นเล็กน้อยพูดไม่เต็มปากนักมัวชักชา้าเราอาจตามมันไม่ทันก็ได้อย่าลืมคติของเราเสียนั่นก็คืออย่าให้ฉันต้องเป็นอุปสรรคทวงแผนการใดๆของเราทั้งสิน้นพรานใหญ่สั่นศีษะช้าชา้ช า, ชาิมฝีปากนั้นปรากฏรอยยิ้มน้อย ทำให้บังเกิดความแช่มชื่นในความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งที่เมินเมินรบหบไม่ต้องกังวลว่าเราจะตามไม่ทันมันหรอกครับผมรับรองว่าก่อนตะวันตกดินวันนี้เราจะต้องพบตัวมันแน่ถ้าไม่หลบอยู่ในก้นหุบแถวนี้ก็เห็นจะนอนกบดานอยู่ใต้ปรกโคลนอย่างที่คุณหญิงสงสัยนั่นแหละคุณหญิงจะยีบสักขณะหนึ่งก็ได้นี่ครับผมให้เวลาถึงชั่วโมงเต็มเต็มเราตกลงใจกันแล้วว่าจะพักหุงหาอาหารกลางวันกันที่นี่แหละคุณหญิงตื่นมาก็ได้ทานอาหารเลย จากนั้นค่อยค้นหาลอยของมันต่อไปหญิงสาวมองตอบเขาด้วยสายตาแสดงความขอบคุณริ้วเรือชนิดหนึ่งแล่นขึ้นมาสร้างผิวแก้มอันซีเซียวทำให้แลดูสดชื่นขึ้นแล้วหล่อนก็เองศีรษะพิงผนังหินหลับตาลงตามเดิมชายยันเองก็เหยียดยาวครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงอยู่กับก้อนหินควักบรีออกมาจุดสูบคุยกับพรานใหญ่เบา สมมุติว่ามันกบดานอยู่ใต้ปลักโคลนจริงๆโดยไม่ยอมโผล่เราจะทำยังไงสบายเลยครับขอให้รู้แน่เท่านั้นว่ามันหมกตัวอยู่ตรงตำแหน่งไหนระเบิดในโตยัดตูมลงไปสักลูกแบบเดียวกับระเบิดป่าขี้คานจะทะลึ่งพูดขึ้นมาไม่ทันเออจริงสินะโคนมันมีความแน่นเสียยิ่งกว่าน้ำอีกเป็นพาหะนำความสั่นสะเทือนของแรงระเบิดไปได้ดีนัก ผมชักแน่ใจเสร็จแล้วว่ามันจมตัวหลบนิ่งอยู่ใต้โครนนั่นเองมองไม่เห็นร่องรอยสั่งนิดว่ามันจะโผล่ขึ้นมาทางไหนก็ยังไม่แน่เหมือนกันครับเพราะเรายังไม่ได้เดินสำรวจให้รอบบริเวณปลักโคลนหมดทุกด้านถ้าสำรวจทั่วก็รู้ได้ทันทีเพราะถ้าไม่ปรากฏว่ามันขึ้นที่ใดก็แปลว่ามันอยู่ใต้ปลักนั่นเองขยินสังเกตเห็นอาการของดารินที่นั่งพักหลับตายัางหมดแรงอยู่ก็จ้องดูด้วยความสงสยัยถามระพินขึ้นว่า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 พอทราบความก็แทบจะปล่อยกากตัวแม่มดเองไม่รู้เรื่องเพราะดูเหมือนจะเข้าพวังปเสียแล้วด้วยความอ่อนเพลียดาดินจะพลอยงี่เป็นนานสักเท่าใดไม่ทราบได้มารู้ตัวสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งหยดแมลงมาที่หลังมือซึ่งประสานกันวางไว้บนตักสิ่งนั้นเป็นลักษณะของเหลวสัมผัสเย็นๆอย่างไรพิคนทันทีที่ประสาทคืนมาสู่ตัว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 หญิงสาวขามวดคิ้วยน่นแต่แล้วก่อนที่สมองจะทันคิดเช่นไรในปากฏตการประหลาดเหล่านั้นเองอีกหยดหนึ่งก็หยดแปะลงมากระทบหลังมืออีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่โคลนเสียแล้วแต่เป็นหยดเลือดสดๆไม่มีปัญหามันหยดลงมาจากเบื้องบนศรีรษะของหลอนขณะนี้นั่นเองดาลินกลั้นใจค่อยๆแงงหน้าขึ้นไปมองบนเบื้องบนอันเป็นซุ้มกระทบรกและถาวเครือเล็กๆ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 เขาหันกลับไปช้าๆยังไม่สนใจอะไรนะักขยับจะอ้าปากถามแต่แล้วก็ชะงักเพราะเห็นอาการของหญิงสาวหน้าของหล่อนไม่มีสีเลือดตาเลือกโพรงกำลังแงนเงยจ้องค้างขึ้นไปเบื้องบนชายันเอะใจแงนขึ้นมองตามบัดดลก็นั่งตัวแข็งหัวใจดูเหมือนจะหยุดเต้นไปชั่วขณะอีกคนหนึ่งแล้วสึกิตต่อเบาๆที่ระพินผู้นางใช้หมวกปิดหน้าเหมือนจะอาศัยงีบเอาแรงอยู่เหมือนกัน พรานใหญ่ขยับตัวเสยปีกหมวกขึ้นมองมาทางนายทหารปืนใหญ่เหมือนจะถามชายยานกำลังตาเหลือกจ้องมาที่เขาริมฝีปากขยับขมุบขมิบเหมือนจะเอ่ยเป็นคำพูดอะไรออกมาแต่ระพินฟังไม่ได้ยินเขาชงโอนเล็กน้อยเอียงหน้าเข้ามาใกล้จึงได้ยินเสียงที่แทบฟังไม่รู้เรื่องนั้นว่าข้างบนจอมพรานแหนที่ไปโดยเร็วพิบตาที่จกักษุรับภาพได้ถนัด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 ที่ทำให้ขนหัวลุกเท่ากับเหตุการณ์ที่ทั้งเจ็ดชีวิตเผชิญอยู่ในขณะนี้เจ้าอาสูรดึกดำบันคงจะนอนสงบนิ่งขวางลำอยู่บนโขดหินตำแหน่งนี้มาก่อนเป็นเวลานานแล้วฝ่ายมนุษย์ที่ตามล่ามงุมมงาหลาย่องค้นหารอยของมันเข้ามาและแล้วก็มาหยุดพักปึสษาหารือกันอยู่ใต้ท้องของมันนั่นเองคนที่ไหวตัวสำเนีจทันต่อเหตุการณ์ต่อมาไร้เรียกกับละพินก็คือแง่ายหนุ่มชาวดงพนเจนจร รอบสกิดโดยอาการบอกจันในขณะที่ระพินก็สกิดเตือนบุญคำคงมีขยินคนเดียวเท่านั้นที่ประสาทสัมผัสช้ากว่าทุกคนยังเสื้อซ่าอยู่เหลือบมาเห็นทุกคนพากันเงียบกิบไปแล้วเห็นแม่มดคนสวยตื่นลืมตาโพรงขึ้นแล้วก็ถามมาว่านายหญิงลืมตาแล้วนายหญิงบอกได้หรือยังว่า ง, งูยักษ์อยู่ที่ไหนนายหญิงบอกได้แล้วขยิน แลินกระซิบเบาๆยิ้มหรือแยกเคี้ยวก็บอกไม่ถูกมันอยู่ที่ไหนเงยขึ้นไปบนกระบาลของเจ้าขยินขยินเงยขึ้นไปช้าๆอย่างไม่เชื่อถือนอกจากจะเห็นเป็นเรื่องขบขันนึกว่าพรานใหญ่ยา้าแต่แล้วปิ๊ตานนั่นเองก็หงายแผลจากท่าที่นั่งยองๆอยู่ก้นกระแทกลงกับพื้นด้วยความตกใจขวัญห น, นีดีฟอแทบชักดิน้นบุญคำผู้รวดเร็วต่อเหตุการณ์ก็กระโดดเข้าตะคุบปากในบ้านหนุ่มช้างไว้ ก่อนที่สิ่งใดๆจะรุดรอดออกมาได้กระซิบรอดไหลฟันออกมาเงียบไอ้ขยินเอ็งขืนแหกปากพวกเราตายหมดทุกคนอึดใจนั่นเองขยินก็สติ ก, กับคืนมาและสามารถเข้าใจอะไรได้ดีเท่าๆกับทุกคนตาเหลือกกรอกริ่งอยู่ไปมาเห็นแต่ตาขาวเหงื่อการผุดเต็มหน้าบุญคำสังเกตเห็นนายบ้านหล่มช้างพอจะรู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ค่อยๆ ค, คลายมือที่อุดปากออก บัตรนี้ทุกคนหันมาจ้องตากันเองด้วยความรู้สึกอันสุดที่จะบรรยายที่ถูกดาดินสางจากตะลึงแล้วกายของหลอนสั่นเทาและโดยอาการบุยใบหลอนชี้ไปที่หลังมือของตนเองที่มีหยดเลือดปนโครนลงมากระทบแล้วชี้ไปเบื้องบนเป็นความหมายแทนคําบอกว่าหลอนรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเห็นก็เพราะหยดโครนและเลือดนั้นและพินกัดริมฝีปากแน่นค่อยๆยันกายขึ้นยืนช้าๆแงนหน้าจ้อง ทุกคนก็พลอยลุกขึ้นตามอย่างระมัดระวังมันเป็นปัญหาคับขันฉุกเฉินขีดสุดซึ่งจะต้องอาศัยการตัดสินใจอันเฉียบ พ, พันแข่งกับเวลาและต้องไม่ผิดพลาดด้วยทั้งเจ็ดชีวิตยืนอยู่ใต้จมูกของลิตยูโดยไม่ทันรู้ตัวร่วงหน้ามาก่อนส่วนที่วางพาดอยู่นั้นเป็นบริเวณใต้ท้องกลางลำตัวตอนหนึ่งและโดยตำแหน่งอนันเป็นเป้าหมายให้อย่างถนัดชัดเจนระยะใกล้เผาขนที่สุดนี้ ธนูตึกระเบิดของแง่ทายสามารถจะทำหน้าที่ของมันได้เต็มสภาพทีเดียวปัญหามันมีอยู่แต่ว่าถ้าในโตรระเบิดขึ้นใต้ท้องส่วนนี้ของมันอีกเจ็ดชีวิตที่อยู่ภายใต้ก็ย่อมแหลกเป็นจุลมหาจุลไปด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยทุกสายตาพุ่งมารวมจุดอยู่ที่เขาคนเดียวอย่างยึดเป็นที่พึ่งระพินก็ตัดสินใจในวินาทีนั้นทาใบเป็นสัญญาณให้ทุกคนค่อยๆย่องออกมายัางฝากทาง มีลักษณะเหมือนซุ้มประตูแล้วชี้ไปยังเชิงเขาที่มีลักษณะเป็นขั้นบันไดนําขึ้นไปยังหมู่โขดหินหน้าปากถา้ำด้เล็กๆที่ผ่านกันมาแล้วเมื่อก่อนหยุดพักซึ่งขณะนี้ระยะห่างออกไปประมาณ100เมตรกระซิบเป็วปรือทุกคนนอกจากผมกับแงซายรีบวิ่งไปที่กลุ่มโขดหินหน้าปากถ้าบนเชิงเขาที่เห็นอยู่นั่นเร็วที่สุดแล้วหลบซ่อนอยู่ที่นั่นมันเป็นซอกหินแคบ ทางอับพอจะใช้เป็นกำบังไม่ให้หัวมันลอดเข้าไปได้เอาละรีบไปเดี๋ยวนี้พยายามให้เบาและเงียบที่สุดถ้ามันไหวตัวเสียก่อนจะลำบากแล้วคุณละ่ะชายยันละลับละลักไม่ต้องเป็นห่วงผมกับแง่ทรายจะย่องเข้าไปทางด้านหัวของมันไปด้วยกันดีกว่าเข้าที่กำบังปลอดภัยไว้ก่อนแล้วให้แง่ทรายยิงออกมาจากที่กำบังนั่นดาลินทวงเร็วปื้มอีกคนพรานใหญ่สันหน้า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 ก้อนหินย่อมๆที่กองอยู่บนยอดโขดถล่มร่วงกรูเกลียวอันเกิดจากกันไหวตัวนั้นกึ้งลงมายังกลุ่มของมนุษย์ทั้ง7ที่ยืนกระสับกระส่ายกันอยู่ภายใต้จนถึงกับต้องกระโดดจบการเป็นพันรวันดารินเกือบถูกหินดูขนาดมะพร้าวหล่นทับลงมากลางหลังดีแต่งแงสายผลักเซหลบออกไปได้อย่างหุดหิขดขณะเดียวกับที่ราพินและชายยานก็ก้มหัวหลบค้อนเท่าครกและกระดอนขลุกขๆลงมาในระดับศีรษะ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 มันสูงจากระดับพื้นดินขึ้นมาสักเท่าใดราวกับส่วนสูงของเสาโทรเลขชั้นนั้นเฉพาะที่มันตั้งคอเฉงเงื้อขึ้นมาโดยไม่รวมถึงลําตัวส่วนใหญ่อย่างน้อยก็ไม่ต่ากว่าอีกสี่ในห้าส่วนที่ราบอยู่กับพื้นหนักบัดนี้ส่วนหัวอันน่าเกลียดน่ากลัวนั้นหันสายไปรอบๆโอนเอ็นไปมาเล็กน้อยมันคงมาพบคู่ของมันแล้วและชิงเงื้อตั้งหัวค้นหาศัตรูซึ่งคงจักรสา ก, กินอยู่ใกล้ๆ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 ดวงตาทั้งคู่ใหญ่โปนทรักเด่นออกมานอกเบา้าที่มีขอบสีออกแดงจัดร้อมเป็นวงกลมเหมือนตาปลาทองกะดิกกริ่งเหลือไปมาได้อย่างน่าสยองเขี้ยวแหลมโค้งทั้งสี่ข้างโผล่พ้นออกมาจากปากเหมือนงาของตัววอลรัตแต่โผล่แซงสวนกันทั้งล่างและบนใต้คางเป็นแผ่นหนังห้อยยานปนุมประดุดเหนียงอยู่สองแถบสิ่งที่พอจะบอกชัดได้ถึงสัญชาตญาณดั้งเดิมก็คือลิ้นอันมีปลายสองแฉก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 ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงอู้ไร่หลังมาอย่างกระชังชิดเสียงเหมือนน้ําป่าพอเหลียวกลับมามองทุกคนก็แทบจะก้าวขาไม่ออกหลบกอเลี้วชายยันร้องออกมาสุดเสียงผลักดาดินคมามหน้าลงไปหมอบอยู่ที่ก้อนหินรูปใกล้ที่สุดตนเองก็เพ่นตามเข้ามาด้วยบุญคํากับจานผู้ปิดท้ายล้าหลังอยู่ก็ไว้ทายาดสําหรับวินาทีมัจจุราชเช่นที่เผชิญอยู่นี้ทั้งสองผ่านโจรวูบเข้าไปในดงกล้วยอันหนาทึบ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 เพื่อจะคืบระยะทางด้านศีรษะตาโปนถรนทั้งคู่จ้องนิ่งมายังเจ้าลูกหนูขยินผู้ยืนตัวสั่นเหมือนชีวิตปิดปลิวออกไปจากล่างแล้วขณะนี้เสียงชายยานแผ่ตะโกนก้องฟังไม่ได้สับมาอีกครั้งเสียงนั้นเองปลุกขยินหัวหน้าบ้านโหมช้างก็ผงะหลังล้มและตะกายด้วยตีนทั้งสี่พยายามจะหนีขึ้นไปบนส่วนสูงของเนินขาวไม่รู้ทิศทางอย่างน่าสงสารเสียงฟู่ปานไอน้ํารถจักดังขึ้นอีกครั้ง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 กรงเขี้ยวที่งับลงมาเชียดสันหลังในบ้านหล่มช้างไปยังบุบวิดแต่งับติดดินบริเวณผ้าเขียนเอวมันพงกบชูขึ้นร่างของขยินก็ลอยคว้างติดป่าอยู่กลางอากาศดิ้นตะกายร้องเสียงหลงดารินสติกลับมาก็ต่อเมื่อเสียงปืนจากชัยยานอเบิดขึ้นเป็นปฐมฤกษ์หล่อนเอ็นหลังพิงพื้นดินที่เทรานในจังหวัดสะบัดตัวหันกลับจุดสี่เจูนในมือกึกกล้องออกไปโดยไม่ได้เล็งเช่นกัน หล่อนเหนียวไก่สองลำกล้องในเวลาห่างการช่วดเสี้ยววินาทีเรือเนี่ ย, น, ยนถึงว่าไหลอาจหักตาเบิกโพงเห็นภาพอันน่าหวาดเสียวของขยินซึ่งแน่ใจว่านั่นคือวาระสุดท้ายของนายบ้านหล่มช้างเวลาเดียวกันไรเฟิ่จากบุญคำและจันทร์ก็สนันมาสองตึงจากโดงกล้วยระดับที่ต่ำลงไปเล็กน้อยติดตา ม, มาด้วย60ศจากลกล้องขวาของชายยานัน ภาพที่เห็นจากสายตาอันเรือกลานของทุกคนขยินลนพูกจากปากของมนุมายนพิษตานั้นเสียงตกลงไปในกอกล้วยป่าศีสันและลำตัวอันใหญ่โตที่ชูร่าร่อนอยู่นั้นหดกลับอย่างฉับพลันลงไปรวมอยู่กับลำตัวส่วนใหญ่ที่กองโคดเคี้ยวอยู่ตรงตีนเนินเสียงบุญคํากับจันทร์ซึ่งยังมองไม่เห็นตัวอยู่ในขณะนี้ซัดกระหน่ากันลงไปอีกทียิบดาลินก็หากลำกล้องไลเฟิแฟ่แฝดของรอนจะบรรจุชุดใหม่